ก็ขอมรณากับเราในช่วงบ่ายโมงนะเามื่ช้าพูดถึงในเรื่องของทานเกี่ยวในเรื่องของอนุ ป, ปูพีกถาย่อย่อคือเอามาในชั้นคําสอนที่กล่าวไว้ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวเรื่องของอนุ ป, ปูพีกถาแล้วก็อัตกถา แต่กล่าวเฉพาะทานอย่างเดียวนะกล่าวเฉพาะทานอย่างเดียวที่พูดถึงในเรื่องของว่าเป้าหมายการแสดงทานทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงพูดถึงเรื่องทานท่านจะกล่าวไว้ในพระสูตรต่างๆค่อนข้างมากไม่ว่าจะกล่าวในชา้นของสัปปุริสทานเป็นต้นเหล่านี้นะ หรือทักขีนางวิพังกระสูดรหรือเวลามาสูดเป็นต้นเ่าเนี้ยที่กล่าวเขาไว้เป้าหมายในการที่ขับเน้นในเรื่องของทานในกุศลเป็นต้นเ่าเนี้ยเพื่อเพื่อฝึกเพื่อเป็นเครื่องเป็นบริขารของจิตดังที่ในสูตรต่งตงตงตงางๆเขากล่าวไว้เนี่ยนะในชั้นคาสอนที่ยกไว้นที่ยกมา ในชั้นพระสูตรต่างๆที่เคยยกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงนี้ก็มาสรุปประเด็นในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์บุรุษเนี่ยนะตอนที่พระพุทธเจ้าประทับที่กูทาก า, าราป่าามหาวันใกล้เวสาลีครั้งนั้นก็คือศีหะเสนาวดีก็เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาก็ถามบอกว่า พระเจ้าเนี่ยวทรงบัญญัติทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอพระเจ้าก็ตรัสว่าท่านศิหาเสนาบดีจึงตรัสต่อไปบอกว่าดูก่อนพเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนสิหาเสนาบดีทายกผู้เป็นทานาธิบดีเออไม่ใช่เป็นทานาบดีย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเป็นอันมากข้อ น, นี้ก็เป็นผลของทานที่จะพึงเห็นเองอันนี้แปลว่าเออคนที่เป็น ทานาบอดีก็คือผู้เป็นใหญ่เนี่เป็นปุณใหญ่ในการให้ทานหรือบุคคลที่มีอัจฉริยะใสในการให้เนี่ยเป็นที่รักใช่ไหมเป็นที่รักอันนี้ท่านถามว่าผลในปัจจุบันในเห็นได้ไหมคือจริงๆการให้เนี่ยเป็นการฝึกจิตเป็นคำให้จิตให้อ่อนโยนผู้รับ จิตก็อ่อนโยนทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยจิตของทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้ที่มีจิตที่อ่อนโยนใช่ไหมให้สังเกตว่าคนที่ให้เยอะๆเนี่ยก็เป็นที่รักเพราะไม่ใช่ให้แค่วัตถุเพราะท่านไม่ได้ขับเน้นที่วัตถุอย่างเดียวยแต่จิตที่คิดจะให้เนี่ยแล้วนอกจากจะให้วัตถุแล้วก้องมีปียวาจาใช่ไหมในการให้บอกคุณบอกอานิสงส์ของการให้ ถ้าพระโพิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้สังเกตว่าทำไมท่านให้ทานทำไมท่านต้องฝึกขัดขัดกลาวตรงนี้เพราะท่านเห็นอานิสงส์ของทานในุศลท่านเห็นอานิสงส์ก็แปลเห็นผลไงเห็นความสมบูรณ์เห็นภพชาติและความสิ้นภพชาติเป็นผลปรากฏท่านเห็นตรงนั้นท่านจึงให้ท่านถึงบอกว่าถ้าบุคคลดูก่อนพิสูทั้งหลายถ้าเธอเห็นใช่ไหม อานิสง์ของทานกุศลอย่างที่ตถาตรูถ้าเคอรู้ผลของทานกุศลอย่างที่จะถากดรู้นี่ที่จกไม่ให้ทานถ้าบุคคลนีน่ก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีก็แปลว่าท่านเห็นรัตนบัลลังก์ท่านเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าว่าทานะทานาเจตนาโยธาไหมโยธาทานสีลเจตนาโยธาเนคขมมะเจตนาโยธ า, า, ยธาปัญญาเจตนาโยธา วิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาเจตนาโยธาเนี่ยท่านเห็นเนี่ยเห็นบารมีทุกอย่างที่จะเกื้อกูลกันโดยความเป็นวิสุทธิเจดคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเลยไหมจนถึงเห็นโดยความสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาเห็นโดยความเป็นโพธิปักขิยธรรมามสิบเจ็ดประการอันนั้นก็ล้วนมาจากการ เริ่มจากทานขึ้นต้นทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าทานกุศลไม่เข้าใจบุญอื่นๆมันก็ลัดขั้นตอนไปเพราะว่าไม่ได้ฝึกขัดเป็นไปตามลำดับที่ท่านแสดงไว้ในอนุกูปีเนี่นะอนุกูปีกาถาเนี่ยธรรมดาทานนี้เป็นหนทางที่เราได้ดำเนินแล้วเป็นวงของเราใช่ไหมเป็นวงวงของพระเจ้า เราในฐานะเป็นสาวกบ้างเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราเมื่อบาเพ็ญบารมีสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าก็บาเพ็ญมหายันคือมหาฐานมากมายมหายันครั้งเป็นเวลามาพรมเราก็ทำแล้วมหายันครั้งเป็นมหาโควินทภามเราก็ทำมาแล้วมหายันครั้งที่เป็นพระเจ้ามหาสุทธสนะลไปดูในมหาสุทธะสุนดูท่านเนี่ยท่านก็ทำมาแล้ว มหายานครั้งเป็นเวสันดรเราครั้งที่เราเป็นกระต่ายก็ได้มอบตนในกองไฟที่ลูกโชนตามใจผู้ขอเราก็ทำมาแล้วแท้จริงทานย่อมให้สมบัติเทา้าสกกะสักกะสมบัติท่านได้มาก็เพราะทานนั้มารสมบัติพรมสมบัติจักรพัฒสมบัติสาวกบรมยานปัจเจกโพธิยานและอภิสัมโพธิยาณในโลก เห็นไหมว่าทานบารมีของท่านหรือทา น, นากถฐาที่ท่านปรานามากมายนยแปลว่ามอบสมบัติมากมายคือท่านปกครองมาหมดแล้วแต่ที่สุดจริงๆอะเป้าหมายของท่านอยู่ที่อภิสัมโพธิญาณเนี่ยแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงท่านก็ปกครองไปทั่วเพราะผลของทานอุศลมากเหลือเกินมากนะผลของทานกุศลท่านที่ทกระทามามาก ทีนี้ถ้าขับเน้นในสูตรนี้ที่ท่านบอกดูก่อนท่านศีหะเสนา บ, บดีทายกผู้เป็นทานบดีเนี่ยย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นมากแม้ข้อ น, นี้ก็เป็นผลทานที่จะพึงเห็นเองเนะอีกประการหนึ่งสัตว์บุตรผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีนะทานบดีนะสัตว์บุษมีพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่นะคำว่าสัตว์บุตรกับคําว่าภระริยะนี่นะเป็น เป็นความหมายเดียวกันเนะจริงๆท่านท่านขับเน้นตัวนั้นนะนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเป็นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่มีกุศลจิตเกิดเท่านั้นแหละแต่ถ้าถามว่าโดยวันหนึ่งวันหนึ่งโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ฐานะของความเป็นคนดีเท่าไหร่นะความเป็นสัตว์บุรุษจริงๆเท่าไหร่นะเราได้ไม่ใช่ไม่ได้ในขณะที่กาย กายกรรมสะอาดวจีกรรมสะอาดมโนกรรมสะอาดตอนนั้นเราก็ได้ฐานะเป็นคนดีกับเขาแต่ถ้าวาร aday าเานี่ยนะเราได้กายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตขนาดนั้นเราก็ได้ฐานะของความไม่ดีแล้วใช่ถ้าเราดูคำว่าภาร า, า, าธรรมมาเนี่ยสภาวะธรรมที่ทำให้เป็นคนพาลท่านกล่าวถึงอากุศลและจิตนะแล้วก็เจดสิกที่ประกอบทั้งหมดลเลยเลย รวมทั้งเวทนาขันก็ขายเป็นพรานไว้ด้วยเนี่ยนะเวทนาขันทัญญาขันเนี่ยนะหรือสังขารละขันที่ไม่เกี่ยวกับบาปเลยเมื่อมาคลุกเคล้ากับจิตที่เป็นบาปมันก็พอให้จิตเราเศร้าหมองพฤติกรรมของเราก็เสียหายไปด้วยเนี่ยฉะนั้นความเป็นคนดีทั้งหลายท่านยังขับเน้นไปที่กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจที่สะอาดฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความได้ฐานะตรงนี้จึงบอบบางมากๆ สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีโยนิโสมนัสการไม่แข็งแรงหรือมีสิ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่ค่อยมั่นคงใช่ไหมปาราโตโคสา ป, ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวในเรื่องของกาลยานามิตรไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสื่อสิ่งตีพิมพ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยสิ่งแวดล้อมบุคคลทั้งหลายสถานที่ทั้งหลายเหล่านี้ยขนาดสถานที่ก็ดีบุคคลก็ดีเนี่ยนะ สิ่งแวดล้อมก็ดีเอื้อมหน่วยแต่ความเข้าใจของเรานั้นผิดอีกนึงก็ไปเลยนี่นึงตรงเนี้ถึงบอกว่าคนที่เป็นทาทานาบอดีเช่นอนาถาปินิกะเศรษฐีนางวิสาขาเป็นต้นใช่ไหมบุคคลต่างๆเหล่าเนี้ยพระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยนะหรือบุคคลที่เป็นคนดีทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายต่างๆเหล่าเนี้ยบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอริยบุคคลหรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกของผู้ได้เจ้านั้นน่ยก็จะชอบใจเนีเป็นที่ชอบใจของสัตบุรุษทั้งหลายเป็นต้นด้วยสัตบุตรทั้งหลายก็คบหาอันนี้เป็นผลทานที่พึงเห็นในปัจจุบันด้วยอีกปการหนึ่งกิติศัพท์อันงามของทา ย, ยกผู้เป็นทานในบดีย่ำกระจรแม้ข้อ น, นี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองกิติศัพท์ของคนดีทั้งหลายเรานเนี่ยนะก็ฟุ้งกจรไปในหมู่คนดีทั้งหลายเป็นต้นด้วย แม้คนไม่ดีทั้งหลายก็ได้ยินเกียรติศพอีกประการหนึ่งนะทายกผู้เวนทานะบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมของกษัตริย์พรามครหบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องค์อาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองคนที่เขาเข้าใจกรรมและผลของกรรมเนี่ยเขาเข้าไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่เก้อเขินนะไม่เก้อเขินหรอกถามว่าจะไปอยู่ใน ในในในแวดวงของกษัตริย์นีหรือหรือในที่ประชุมของกษัตริย์ของพราหมณ์ของขลังบดีของสมณนะเพราะเขามั่นใจอะไรไหมไม่ใช่มั่นใจแบบผิดๆเนี่ยเขามั่นใจถึงทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลของเขาเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ประพฤติผิดเนี่ยกายทุจริตก็ไม่มีวจีทุจริตก็ไม่มีมโนทุจริตก็ไม่มี เมื่อบาปอากุศลธรรมอันลาโมกทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้กระทำเนี่ยเขาจึงไม่ค่อยเกรงกลัวในเรื่องเหล่านี้เขาจึงเข้าไปในบริษัทในที่ทุกๆแห่งได้ไม่เก้อเขินเอามาเอานึกถึงตนเองเนี่ยนะมีอยู่คราวสมัยที่รักษาในด้านของพระวินัยไม่ดีเนี่ยเวลาไปอยู่ในกลุ่มของภิกษุบริษัทที่เขารักษาเนี่ยในกลุ่มของฟิกษซเนี่ยนะเรารู้สึกมันเก้อเขินเรารู้ใช่ไ ว่ามาบางข้อเนี่ยเราบกพ่องไงเออบางมุมบางประการเนี่ยมันรู้สึกมันมีเยอะครั้งใช่ไหมโผล่ไปนั่งไปชมกับเขาในกลุ่มไปนั่งคุยคุยเขาหรือเขามาหามาคุยด้วยมันก็เก้อเขินเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอเราไม่มีความมั่นใจเราในข้อนี้เลยเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนั้นคนทู่สีนก็ดีนะ คนที่บําเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ดีเนี่ยเข้าสู่บริษัทใดๆเนี่ยไม่ก็เกิดเกิดเว้นว่าจะจะใช้จิตหยาบๆต่อสู้เข้าไปกันนั้นเองค่อยๆพูดข่มก็เงี้ยเนี่ย น, นี่ก็พอได้นะแต่ถ้าจะเอาความที่ว่าบุญกุศลเกิดความมั่นใจที่เป็นกุศลจริงๆอันนั้นอันนั้นจะไม่ค่อยมีอีกประการหนึ่งทายกผู้เบญทานะนบดีเนี่ยเมื่อตายไปแล้วก็ถึงสุคติ โลกสวรรค์ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายภพอันนี้ก็แปลว่าท่านมองเห็นอะไรคนที่เขาเดินกุศลได้ค่อนข้างดีความมั่นใจสูงและไม่กลัวตายอแต่ถ้าบอกว่าเอ้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่กลัวตายใช่ไหมไอ้ตรงนั้นก็ไอ้ทีนี้ต้องที่เราไม่กลัวตายเพราะเพราะประเด็นก็คือเราไม่ได้ทําชั่วเนะี่ยไม่ได้ทําชั่วมาเนะี่ย เมื่อพระบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสีหสนาบดีจึงทรูนพระศาสดาว่าผลแห่งทางที่จะพึงเห็นสี่ข้อเหล่าเนี้ยพระผู้เป็พระเจ้าได้ตรัสบอกแล้วข้าพระองค์ย่อมเชื่อตามที่พระศาสดาตรัสบอกผลแห่งทางสี่ข้อนี้ก็หาไม่ได้แม้ข้าพระองค์เองก็ทราบดีคือข้าพระองค์เป็นทายกข้าพระองค์เป็นทานาบดีย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเป็นอันมากและสัตว์บุรุษก็ย่อม จะคบหาข้าพระ อ, องค์ผู้เป็นทายกเป็นทานาบดีกิติศัพท์อั น, นงามของข้าพระ อ, องค์ผู้เป็นทายกเป็นทานานบดีก็ย่ำกระจรไปสีหะเสนนาบดีเป็นทายกเป็นทานาบดีเป็นผู้บ่มรงพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานาบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมของกษัตริย์ของพราหมณ์ของข้าราบดีและสมณะก็ย่อมเป็นผู้กล้าไม่เกอรินเมื่อเข้าไปข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญผลแห่งทานที่จะพึงเห็นสข้อนี้ พระพุทพระเจ้าบอกแล้วค่ะพระองค์ก็ย่อมเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าเนตรัดผลแห่งทานสข้อนี้ก็หาไม่ได้แต่ข่าพระองค์เนี่ยย่อมทราบส่วนของทานที่จะพึงเห็นเองนะที่แปลว่าไอ้สข้อเนี่ยท่านเห็นเองชัดเลยเพราะท่านเป็นทาทานัดีท่านเป็นทายกท่านเป็นผู้ให้คําว่าให้ดังที่ได้กล่าวใช่ไหมว่าเมื่อเจตนาที่เป็นทานนะกุศลของท่านทั้งหลายของเราเนี่ยนะถ้าเราเดินได้อย่างท่านเนี่ย แปลว่ามันชื่นใจเพราะท่านเดินปุพพะเจตนาแข็งแรงมากวัตถุชิ้นเดียวเนี่ยท่านทำทำปุพพะเจตนาให้แข็งแรงมากแล้วมุนจ่าเจตนาท่านก็แข็งแรงแล้วก็อภิปปรัตเจตนาอย่างเงี้ยนะท่านก็ทําแข็งแรงมากแปลว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของท่านเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมากจริงๆคนที่เดินกุศลได้จนสามารถขัดเกลาวเป็นปริขานเป็นเป็นเป็น บริขาระเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องตกแต่งจิตของท่านนะท่านจะสามารถเดินสมาธิเดินวิปัสสนาได้ใช่ไหมการที่สามารถเป็นเครื่องประดับของท่านได้ขนาดนี้จะไม่เกื้อเเขินอะไรจนทําให้กายของท่านก็สะอาดวาจาของท่านก็สะอาดใจของท่านก็สะอาดอันนี้ความสุขก็เกิดคือความสุขที่ท่านเห็นได้แล้วก็ท่านสัมผัสได้ด้วยและส่วนหนึ่งก็คือว่าสาวก ข, ของพุทธเจ้าก็เคารพหาพระท่านใช่ไหม ท่านก็เข้าหาพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเป็นอัศยาศัยและในขณะเดียวกันเมื่อท่านก็ไปสู่ในบริษัทต่างๆเหล่านี้ท่านก็ไม่เก้อคืนเพราะท่านไม่ได้ทําผิดอะไรไว้เลยเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านบอกว่าแต่ข้อที่ห้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทายกผู้เป็นท่านบดีตายไปแล้วเนี่ยเข้าถึงสกติโลกสวรรค์เนี่ยข้าพระองค์ไม่ทราบเพราะไม่ยังไม่ถึงใช่ไหม ก็แต่ว่าข้าพระองค์ย่อมเชื่อไม่ทราบจริงแม้แต่เชื่อเชื่อต่อพระพูทธภาคเจ้าในข้อนี้พระพูทภาคเจ้าตรัสย้าว่าอย่างนั้นทานทานาสีหาบดีบอกอย่างนั้นแหละท่าเออาเอเสหาสีนาบดีบอกเมื่อทายกผู้เป็นทานนะบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นรชนผู้ไม่ตนีให้ทานอย่างที่บอกว่า ทา น, นากุศลเนี่ยนะที่เราเดินกันเนี่ยเดินทา น, นากุศลเนี่ยอโลพะจะเด่นขึ้นความไม่โลภใช่ไหมความไม่โลภเป็นประธานของกุศลธรรมก็ได้ความไม่โลภจากศรัทธาศรัทธาทานเลยอโลพะทานอโลพะทานเด่นเพราะอโลพะทานเด่นขึ้นน่ยมันไปทําลายโลพะโลภาคือตัวที่เข้าไปยึดติดเพราะอโลภาเนี่ยธรรมชาติของเขาก็คือการที่ไม่ติดเหมือนน้าเหมือนใบบัว น้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวใช่ไหมใบบัวก็ไม่ติดไม่ยึดติดแต่คําว่าไม่ยึดติดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่บริหารนะไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะเพราะอะโลภาก็ดีถ้าความตนหีไปอยู่ในกลุ่มของโทสะทัานเห็นไหมความตนหีเนี่ยโทสะอิสามัชริยะเนี่ยมัฉริยะกุกุจาโทสะไปอยู่ในกลุ่มของอริสุรธรรมคนละกลุ่มกับโลพาเพราะอโลภะนี่แหละเกื้อหนุนเป็นปัจจัยต่อการทําลายมัฉริยะไปด้วย มัชชริยความตนีก็ก็ถูกทำลายนรชนผู้ไม่ตนีให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชนเป็นมากย่อมคบหาชนนั้นนรชนนั้นย่อมได้เกียรติยศเจริญเป็นผู้ไม่เก้อเขินเข้าไปสู่ที่ประชุมชนเพราะเหตุนี้แหละบัณฑิตผู้หวังความสุขก็จงขจัดมนทินทีนี้ก็มาสอดคล้องคำว่ามนทินใช่ไหมจงขจัดมนทินคือความตนี มาสอดคล้องในชั้นของคําสอนในอนุบุพิคถาที่ใช้คําว่าเาผาผลาญมนทินเหล่านั้นเาผาผลาญมนทินเป็นเหมือนอสอรารพิษมนทินเหล่านั้นเข้าใกล้ได้ยากเป็นต้นเขาบอกสามารถต้านทานภัยเป็นเหมือนดอกปทุมเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยมนทินมีความตนหนีเป็นต้นเห็นไ้มว่าไอ้ความตนหนีเนี่ยจะถูกทา น, นากุศลเนี่ยเนี่ยทําลายทําลายเนี่ย บรรดิตเหล่านั้นย่อมประดิษฐานในไตรทิพถึงความเป็นสหายของเทวดาล่าเลิงอยู่ตลอดกาลนานบัณฑิตเหล่านั้นได้ทําสิ่งที่มุ่งหวังได้ทํากุศลแล้วจุติจากโลกนี้แล้วย่อมมีรัศมีเปล่งปังเที่ยวชมในอุทยานสวนนันทวันย่อมพรั่งพร้อมในกามาคุณทั้งห้าเป็นต้นเหล่านี้นะในนันทวันนั้นสาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลสผู้คงที่ทําตามพระดำรัสของพทะเจ้าแล้วย่อมล่าเลิงในทุกเมื่อเนี่ยตรงนี้ท่านขับเน้นว่า เป้าหมายในการจเจริญทา น, นกุศลจริงๆเนะี่ยไม่ใช่ปรารถนาพบด้วยนะีไม่ใช่ปรารถนาพบด้วยแต่การปรารถนาที่เป็นไปในด้านของวิวัตรคามเ น, นกุศลนะ่ยแต่ท่านชั้นคําสอนอพระเจ้าท่านจะกล่าวอย่างนี้นะว่าหนึ่งถ้าบุคคลที่มีอัธยาศัยในการที่จะขัดเกลาละบรลุ่ในปัจจุบันนีพ บ, พบท่านก็ระดมจริงๆเลยแล้วก็พ้นแต่ถ้าไม่พ้น กุ่มบคคลเหล่านี้จะบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเพื่อพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปใช่ไหมแต่การจะขับเน้นตรงเนี้ถามว่าการจะขับเน้นเพื่อพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสมมตุติไม่ใช่สมมุติแนละ้วอีกหนึ่งอันตกรกับใช่ไหมที่นั่งคํานวณกันจะเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้างหน้าแต่ถ้าพลาดไปเกิดเป็นอบายศัสตร์ อ, อันี่อ้นี่นี่ยาวแล้วเพราะ เพราะว่าอากุปศลกรรมที่ทําที่ทำเนี่ยและไปทําในใบายภูมิมันก็ต้องทําตลอดให้นะพออุศลกรรมที่ทําตลอดเมื่อหมดอายุไขของกรรมนั้นกรรมอื่นก็ขอโอกาสต่อเนี่ยมันเป็นแบบเนี้โอกาสมันเลยบางทีมันอาจจะอายุสั้นๆก็ได้เส้นไปเกินกบเนี่ยนะแต่ไปพลาดต้องไปทํากบอย่ากุศลกรรมอื่นก็ต่อ ต่อต่อต่อว่ากาสจะเงยศรีรษะออกจากอบายภพมันก็เลงยากขึ้นมันเป็นแบบนี้ด้วยนะไอะ้ตรงนี้นี่แหละท่านทั้งหลายก็ก็ควรตั้งวรระวังเพราะเพราะว่าตรงนี้อ่ะมันมันถึงบอกว่าเราจะมีพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยในช่วงปัจจุบันนี้ชัดเจนแต่แค่ล้มให้ใจขาดนะ สถาณะเราจะขาดลงในขณะลมหายใจขาดนอกนั้นก็ตัวใครตัวใครเยอะมากอย่าพิจารณาว่าไงอย่านี่ที่ใช่ไหมที่ที่พยายามระดมกันตลอดอย่างเงี้ยเป้าหมายเพื่อต้องการส ร, าสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดบุญนะเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องสามารถเกื้อกูลต่อกุศลธรรมนะ แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วกุศลธรรมไม่เดินอันนี้อันนี้แปงเขาช่วยเตรียมที่แล้วนะใช่ไหมทั้งตําลาก็มีห้องเลี้ยนก็มีห้องฟังธรรมผู้แสดงธรรมนั้นทั้งบุคคลที่มาแสดงธรรมบุคคลที่ฟังธรรมเนี่ยต้องช่วยตัวเองนะต้องช่วยตัวเองนะใช่ไหมเมื่อสถานการณ์หรือว่าและสิ่งบรรยากาศนี้ไม่เที่ยงนะเนี่ยผลของบุญพวกเราทั้งหลายก็ไม่เที่ยง ผูแสดงทำก็ไมเที่ยงผู้ฟังทำก็ไปเที่ยงบรรยากาศนี้ไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราไม่รู้เลยจะวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ซึ่งซึ่งหาอะไรแน่นอนไม่ได้เป็นหลักประกันไม่ได้หรอกไอ้ข้อนี้เราก็สังวรระวังมันเป็นอย่างนี้จริงๆรฉะนั้นทุกทุกย่างก้าวของการเดินชีวิตเนี่ยจริงว่าผิดไม่ได้อะไอ้เรื่องหมากของชีวิตที่เราจะเดินกันเนี่ยเนี่ย เพราะผิดก็แปลว่ากระดานมันก็ต้องนั่นนะแต่ถามว่าผิดไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าผิดพลาดจนเอาคืนไม่ได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นความเห็นผิดเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยถ้ามันลึกลึกลึกลึกลึกลึกลงไปแล้วมันถอนกลับไม่ได้แล้วใครจะช่วยไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้ตรงเนี้นะและในส่วนจริงเราก็เราก็ไปเข้าใจสิ่งผิดผิดก็ถอนไม่ได้ ตรงนี้ก็ต้องต้องสงวรระวังตรงนี้ก็คือว่าในชั้นคาสอนบอกว่าทายโกคือผู้กล้าในการให้เป็นผู้กล้าในการให้สันทิิกังก็คือที่พึงเห็นเองไม่ใช่หยุดอยู่ด้วยเหตุเพียงแค่ทานเป็นของดีเท่านั้นสามารถจะบริจาคได้ด้วยเป็นต้วนะครับคือ คือจริงๆว่าให้ทานเนี่ยเราหยุดอยู่แค่ทานกุศลไหมถ้าหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ถ้าสามารถแม้บริจาคนะทานปฏิได้แก่ให้ทานใดก็เป็นเจ้าแห่งทานนั้นให้หมไม่ใช่เป็นทาตเข้าใจกันว่าเป็นทาตของทานไหก็หมายความว่าพัฒนาจิตของตนเองเนี่ยให้วิวัฒนาการยิ่งๆขึ้นไป จนสามารถอยู่เหนื อ, อเนี่ยมัชริยะอยู่เหนือความโลภได้อย่นีอยู่เหนือเขาได้เหมือนยอมถามออกมาเมื่อสักครู่ว่าของที่รักมากแล้วลลบอกว่ารับปากว่าจะให้ด้วยจะให้เขาไปแล้วแต่ต่อมาบอกไม่ได้เลยเนี้ยเ ไ, อไมอันนี้แปลว่าแปลว่าเราเราถูก ความตันหนีมันอยู่เหนือเราแล้วนะใช่ไหม ท, ท, ทั้งๆที่รับปากไปแล้วแล้วเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ไม่กระทําตามนั้นฉะนั้นก็ต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วให้ไปสังเกตนะปิยะทานังเนี่ยจะสังเกตบุญได้ชัดกว่าทานที่เราให้เ ร, ใหเราให้แบบเป็นเป็นสหายยทานหรือเป็นท่าสถานถ้าท่าสถานก็ให้แบบของแย่ๆทั้งๆ ท, ท, ที่เราอยู่ในในส่วนที่จะให้ของดีๆได้ใช่ไหมเป็นท่าสถานไป ให้ของที่มันแย่ๆของเหมือนใกล้ทิ้งแล้วเงี้ยเนี่ยเหมือนเอามาไปดูเอ้อของจะหมดเยอะแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบสมัยก่อนเนี่ยนีรียไปดูดูดูโอ้โหไม่ทันนะใช่ไม่ทันต้องรีบสละสละต้องรีบสละเงี้เนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าใจทานบวชใหม่ๆเนี่ยบางทีโอ้โหดได้มาไปรักของชอบซะแล้วเงี้ยเนี่ยตรง น, นี้ก็ต้องรีบดูก่อนนิดแล้วก็ท่าสถานเอ้เป็นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนท่าสถาน อีกอย่างหนึงสหายทานก็คือใช้ยังไงให้อย่างนั้นคือผู้ใดบริโภคสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นน่ก็เป็นสหายทานแล้วก็ให้ทานฝ่ายผู้ใดเองยังอัตภาพไม่เป็นไปด้วยของธรรมดาแต่ให้ของที่อร่อยแก บ, บุคคลเราอื่นอันนี้เขาเรียกว่าที่ว่าเป็นเจ้าเป็นเจ้าของในการให้ เ, ออเราจะเป็นแบบนี้ไหม ไม่ว่าเออเราเอามายกตัวอย่างเนี้ยเอามาถามโยมกินงานบางทีเอ๊ะามาก็สังเกตถามว่าเอ๊ะทําไมโยมเวลาไปรับผ้ารับอะไรทําไมให้รถ ด, ดีๆแต่ตนเองมันนั่งรถก็เขาก็บอกว่ายอมก็บอกว่ายมเยอะเธอก็บอกว่าโยมยังไงก็นั่งได้มันนั่งนเนี่ยเออเนี่ไงเนี่ย อันนี้ไม่ใช่มานั่งพูดาคือให้คิดไงว่าตนเองบริโภคอย่างบริโภคเนี่ยแต่แต่น้อมน้อมถึงพ ร, รตาตนะไตรอ่ะน้อมถึงพ ร, รตาตนะไตรแล้วให้อ่ะแล้วให้สิ่งที่เลิศเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระเนี่ยต้องมองให้ออกนี ถ้าศึกษาพระธรรมแล้วมองเจตนาของโยมไม่ขาดอันนี้แปลว่าพระนั้นศึกษาพระธรรมไม่ชัดนะแปลว่ามันติดเฉพาะพยัญนชนะนะต้องมองให้ขาดนะว่าในกรณีแต่ละคนนี่ให้หรือสละหรือกำลังกระทำอะไรต่างๆเนี่ยสละอะไรเนี่ยจริงอยู่ขับเน้นวัตถุแต่เบื้องหลังของวัตถุนั้นตนเองอยู่เห็นไมตนเองใช้อ่ะ แต่ถามว่าที่ทําในลักษณะอย่างนี้ผลของทานนย่าลืมในะชาวนาดวงที่หนึ่งดวงที่สองสาสี่ห้าเจ็ดนะปัจจุบันพบแล้วก็ในพบถัดไปแล้วก็ตั้งแต่ชาวนะดวงที่สองเป็นต้นไปถึงดวงที่หกนะแปลว่าบุคคลเหล่านั้น่ท่า น, า น, านกระทบไว้กับพระร า, าตทานไตรเรียบร้อยถ้าท่านน้อมเป็นนะท่านแปลว่าท่านปลูกไว้กับพระร า, าตทานไตรถ้าปลูกพระเจตนาแรงมูลจากเจตนาแรงอภรรยาเจตนาแรแหง ปัจจุบันนะพบฐานะอัก็ได้เยอะแยะเยอะมากฮัลโหลเต็มแล้วกล่าวน้าสงานเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเลยชี้แจงให้ทราบว่าอ่บางครั้งก็เป็นรถ ที่ตัวเองนั่งแต่บางทีก็เป็นรถของคุณบุญชัยนะ ะ, ะมีหลายประการมีเหตุผลหลายประการด้วยกั น, นะคะ่ะบางครั้งด้ความที่คนรถประจำก็หยุดบ้างนะะบันจุดเขาอีกข้อหนึ่งก็คือจะอนุเคราะห์คุณบุญชัยเป็นต้นน่ะนะคะฮะซึ่งให้เขาเนี่ยเพราะว่าเขามีความรู้สึกเนี่ยจิตที่อยากจะได้ กุศลตันี้มากนะฮะแล้วขณะที่เขานั่งรถเขาก็ได้ยินได้ฟัง่ะนะคะก็จะมีเหตุผลในแต่ละคราวก็จะมีต่างๆกันแต่ก็มุ่งหวังเพื่อที่จะว่าให้บุญได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ไปด้วยบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นรถคุณบินชัยไปรับส่งท่านอาจารย์ด้วยก็ปรารถนาให้เขาได้บุญตัวดีด้วยนะคะและเขาด้วยะะว ก, การพิจารณาด้วยว่าใน ท้องที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเหมือนอินเดียก็คงยังไงก็ต้องให้คุณบุญชัยวิ่งมารับรถที่บ้านเนี่ยนะฮะแต่ด้วยเห็นว่าตามถนนหนทางในสุพรรณกุงเทพก็พอสมควรก็เลยได้พิจารณาว่วาคงรถของเขาก็พอสมควรแล้วเขาก็ได้บุญด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบางครั้งก็อาจจะ ดีมากบางครันงก็อาจจะดีรองลงมาแต่ด้วยมีเหตุผลในแต่ละครั้งคราวค่ะออก็เลยให้ได้ทราบทั่วกันนะคะค่ะคะือคือประเด็นจริงๆคืออย่างนี้นะอย่างที่โยมพูดใหม่ก็คือว่าอย่างโยมบุญชัยเนี่ยอันนี้พูดอาจจะอาจจะย ก, ยกเป็นประเด็นเนทะ่าไม่ใช่แต่อนาคตไม่ทราบแต่เป็นคนที่เธอเล่าให้ฟังว่าลูกก็บอก พ่ออายุก็มากกลางคืนขับรถทำไมไม่พักบ้างแตนี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะถ้าเรื่องแบบนี้พ่อได้มีโอกาสทำบุญไงลูกแกบอกแกอยากทำบุญลแล้วแกมีความสุขนั้นถ้าเรื่องพระนี่เนี่ยพระเนี่ยเป็นพระที่มีชีวิตแบบธรรมดา ถ้าพระเขาเข้าใจชีวิตเนี่ยนะเดินเท้าเปล่ากับถนนกับที่ต่างๆท่านยังทำได้นั้นะเรื่องการวิจัยเป็นเรื่องของท่านจริงๆที่ท่านจะเข้าใจสภาพต่างๆเหล่านะั้นแต่แต่ที่พูดตรงนี้ไม่ใช่คำเน้นว่าปราถนาจะนั่งอย่างนั้นเลยเพราะ รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตจริงของพระใช่ไหมไม่ใช่ชีวิตจริงเลยไม่ใช่ชีวิตจริงเลยเลยเพราะว่าชีวิตจริงของพระก็คือคือบาทเดินบินชีวิตของพระอยู่แค่ตรงนั้นแหละอยู่แค่ตรงนั้นนะแต่ว่ามองที่มองตรงนี้มองคำว่าทานะบดีมองฐานะบดีแต่คำว่าทานะบดีที่ยางยิ่งยมชี้แจงนี่ชติไงว่ากรณีที่ต้องอยากให ผู้เกี่ยวข้องแวดวงบริวารญาติมิตรทั้งหลายนนเนี่ยได้รับประโยชน์เป็นสิ่งดีไม่ดีก็เหมือนที่กรณีพยายามที่จะให้แวดวงบริวารเอาของไปทำบุญเอามาเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งบอกว่ายมบอกว่าให้เขาได้ไปทำบุญทั้งทงที่ส่งได้เขาใจจะมาไอ้ตรงนี้นท่านอจารย์คืคอ โยมเนี่ยเป็นอัธ ย, ยาศัยบางอย่างเนี่ยโยมว่าความผลขวายโยมอาจจะไม่เยอะเท่าที่ครัวนะนะคะแต่ความผลขวายในการถ้าในทางด้านจิตสละเนี่ยมีเยอะแล้วก็มองว่าประการที่หนึ่งผู้นำพาพาก็ได้ทำได้คุ้นเคยกับการได้ทำกุศลข้อที่หนึ่งข้อที่สองโยมก็ได้ทำกุศลได้มากขึ้นเจ้าค่ะข้อที่สามโยมเป็นคนประเภททำกุศลแบบว่า คิดอะไรแล้วก็ทําแล้วมันก็กุศลมันเดินได้สะดวกเลยอย่างนี้เจ้าค่ะไม่ไม่ค่อยได้ต้องการว่าจะถึงแม้ศึกษาว่าการทําทานด้วยมือตอนเองไปถึงด้วยตนเอง mm hmm. ก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าจิตเนี่ยจะอยู่กับกุศลได้นานโยมก็อาศัยที่ความที่ทำํำบ่อยๆเจ้าค่ะก็อาจจะในแง่ที่คนมองอาจจะว่าผล น้อยหน่อยโยมก็ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นนะคะโยมเอาจิตที่สละที่พุ่งความขัดเกลาที่เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องอื่นเจ้าคะ่ะแล้วก็อนุเคราะห์ให้ผู้อื่นได้ได้ตรงนี้เจ้าคะ่ะคือคือไม่เอามาไปเอามายกตัวอย่างตัวเองนิดนึงเวลาไปวินนบาัดเอามาก็เป็นคนชอบใช้คนให้ทานมันเป็นอัธยาศัยตนเองมาแต่ไหนแต่ไรเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นของที่ได้มาทั้งหมดอามาก็ ให้พระองค์นั้นเอาไปแจกพระองค์นี้ไปแจกตลอดอย่างนี้นะไม่ไม่ค่อยเน้นจะไปเองเหมือนกันซึ่งซึ่งออกมาก็มีจุดเสียตัวเองนี่นะเอเ อ, เอมีพระอยู่รอบหนึ่งท่านกล้าอย่างยิ่งนะเอามามีของแค่นี้จริงๆเอามาไม่ค่อยกล้าไปแจกเอามาบอกให้ช่วยเอาของนี้ไปแจกไหยท่านไปทันทีเลยนะเอามาก็แอบแอบมองท่านนะบอกโอ้โห ถ้าเป็นเราเนี่เราไม่ค่อยกล้าจะแบกเอาไปไปแจกขนาดนั้นนะเนี่ยแต่ท่านกล้าที่จะถือเอาไปแจกทั้งๆที่ของใช่ไของก็ไม่ได้มีราคาอะไรหรอกแต่ท่านน้อมเอาไปแจกเราเห็นก็แอบชื่นชมแต่เราทำยากแต่ว่าเราเราชื่นชมการทำแบบนั้นด้วยนะอันนี้มาก็ยังยังมีจุดตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าใจสละเนี่ยมีมีเยอะไม่เยอะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าไปทำเองเองเนี่ย ก็เข้าไม่ค่อยถึงตรงนั้นนะเนยอันนี้ก็ต้องฝึกต่อไปได้นะบางทีนะต้องฝึกทีนี้ในด้านของการลาทานท่านใช้คําว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายการลาทานมีห้าประการห้าประการทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนนี่อย่างหนึ่งนี่นะประการต่อมาทายกก็ให้ทานแก่ผู้เตรียมที่จะไปคือบุคคลที่จะเดินทางทันงนี้เป็นการทั้งนั้นนะเนี่ย เป็นการที่เหมาะใช่ไหมคนที่จะเตรียมจะมาฮะหรือบุคคลที่จะเดินทางทายกย่อมให้ทานในสมัยที่ข้าวแพงทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้ที่มีศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการท า, านมีหาประการ น, นี่แหละผู้มีปัญญาเนี่ยรู้ความประสงค์ปราศจากความตนีน <ำ S 1> ย่อมให้ทานในการที่ควรให้ อาการที่ควรให้คืออะไรทายทายกให้ทานแกผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนเป็นการไหมเป็นการที่เหมาะสมไหมเขามาหาต้องให้ใช่ไหมอามิษสถานต้องให้ไหมใช่ไหมและธรรมทานต้องให้ไหมสรุปแล้วก็คือการต้อนรับมีสองอย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ่ยเขาเรียกว่าปฏิสันถานสองอ่ะอามิษสปฏิสันฐานกับ ธรรมะปฏิสันถานอุบาสกอุบาสิกาต้องมีปฏิสันถานสองอย่างไหมถ้ามีคนมาหาต้องมีอมิสสปฏิสันถานมีน้ําให้ไหมเราจะตักน้ําให้สักแก้วเนี่ยจะเป็นทานกุศลได้ไหมแต่ก่อนเคยคิดว่าเป็นไหมเคยคิดว่าเป็นทานกุศลจริงป่าบอกอ้าไม่คิดหรอกโดยส่วนใหญ่เนะี่ยากี้คิดได้ก็เก่งแล้วใช่ไหมน้อมปุบพาเจตนาโอ้โหเป็นบุญแล้ว วันนี้มีคนมาหาเราเราจะปูเสื่ออาสนะให้นั่งเราจะเชิญให้นั่งใช่มเราจะตักน้ำให้เราจะมีของอะไรให้นิดๆหน่อยๆแต่เป็นทานไหมเนะี่ยนี่เขาเรียกอามิสปฏิสันฐานถ้าและอีกอย่างหนึ่งต้องมีธรรมะปฏิสันฐานด้วยไหมต้องมีธรรมะปฏิสันฐานไหมธรรมะปฏิสันฐานทำไงดีดร็อคเกอรละดา ทำยังไงทำมาปฏิสัทธิ์เนี่ยฮทํำยังไงดีทำมาปฏิสันถ า, นะ า, า, านทํำยังไงอ้าวสมมุติมีคนไปหาที่บ้านใช่ไหมเป็นแขกเกลือย่ามิสเข้าไปอาเมสเนะี่ยมีการตักน้ําให้อะไรให้อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ให่เธอข้อที่จริงเป็นอย่างแล้เราตั้งหลักไว้ไหมว่าถ้ามีคนมาหาเราเราจะให้อันนี้ขาดไงขาดอามิสปฏิสันถานกับธรรมมาปฏิสันถานต้องตั้งหลักที่คนมาสู่ถิ่นเราเนี่ยแล้วก็ให้สองส่วนถ้าอย่างเงี้ยชัดเลยเนี่ยวันที่มีการฟังธรรมเนี่ยอันนี้มีทั้งอามิสปฏิสันถานนะเนี่ยแล้วก็มีทั้งธรรมมาปฏิสันถานอันเนี้ยแต่ว่าคิดให้ออกว่านี่ไงคือให้ นี่คือการละทานนะเนี่ยการละทานใช่ไหมให้ให้บุคคลที่มาสู่ถิ่นให้ทั้งอา ม, มิสคือสิ่งของเป็นน้ําแก้วกระชื่อว่างให้เลยนะถ้าโบราณเนี่ยเขาจะทําทน้ําไว้ตามตมตามที่ต่างๆตามถนนตามทางเดินนั่นแหละฉะนั้นเป็นของสาธารณะเลยนั่นแหละคืออามิสปฏิสันถานสั่งสลาราให้ว่างอะไรบางนีใช่ไหมสล า, าล์ริมทางสลาราลิมรั้วอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเลยเนี่ยเนี่ยสาะน้าบ้างอะไรบ้าง แวะกันที่ไหนไปที่ไหนอันนั้นมันคือสภาพของคำสอนของพระเจ้ายังเหลืออยู่นั่นแหละได้อามิสปฏิสันฐานาก็เขียนข้อความคำสอนเขาไว้หน่อยอันนี้ไดเลยธรร ม, มปฏิสันเนี่ยเนีไอ้ทีนี้น